ลงไปลงไปมัน ม, มีเสียงนะอ่ะมีเสียงไห เ, เ, เสียงมาแล้วไ ป, ไปกรุงเทพ เที่ยวล่าสุดนี่ก็ลงไปยาวถึงปัตตานีเลยไปร่วมเดินทางไกลจริงๆก็เดินมาตั้งแต่11กรกฎาแล้วเราเดินเพื่อสันติปัตตานีเดินมาได้50วัน ตรมาเาก็ไปสมทบเขาวันรองสุดท้ายนะแล้วก็ได้ไปจนถึงจุดหมายปลายทางร่วมกับเขาก็คือมัสสีกลางปัตตานีก็เคยไลฟฟังแล้วว่าคณะนี้เขาตั้งใจว่าจะเดินเท้าจากสารยานครปฐม เพื่อไป้ถึงปัตตานีระยะทางก็พันหนึ่งร้อกิโลเมตรทั้งนี้ก็เพื่อจะได้กระตุ้นให้คนระลึกว่าสามจังหวัดชายภาคใต้นี่ก็ยังมีปัญหาแล้วก็ช่วยส่งกำลังใจจากประชาชนสองข้างทางเพื่อไปมอบให้กับคนที่นั่น ก็รวบรวมกำลังใจกันเยอะทีเดียวไปให้กับคนที่ปัตตานีแต่ปรากฏว่ากำลังใจที่คนปัตตานีให้กับผู้เดินทางก็ท่วมท้นล้นหลามยิ่งกว่าที่เราไปมอบให้กับเขาซะอีกเพราะว่าพอไปถึงเมืองปัตตานี ก็มีคนชาวบ้านนักเรียนนักศึกษาคนหลายอาชีพก็มายืนต้อนรับต้องเรียกว่าเป็นพันพันคนแล้วก็ให้น้ำให้ดอกไม้ให้หลายอย่างที่จะเป็นกำลังใจแ ล, แล้วก็ร่วมเดินเดินไปกับคณะนี้ คนก็เป็นพันจากเดิมที่มีแค่1 4บสบห้าคนที่ตั้งต้นเดินจากสารยาแล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้ น, เ พ, นเพิ่มขึ้นเมื่อถึงปัตตานีก็เป็นเจคนนิคนพอมาสุดท้ายก็เดินกัเป็นเป็นพันมีขบวนเชิดสิงโตนำด้วยของเจ้าแม่ของศาลเจ้าแม่ลิมกรเนีย ล้วก็พาไปจนถึงมัสยิดกลางปัตตานีซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางก็เป็นเหตุการณ์อาจจะเล็กสำหรับเมืองไทยแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่สำหรับคนปัตตานีเพราะเขาคงนึกไม่ถึงว่าจะมีคนจากกรุงเทพเดินด้วยเท้าเป็นระยะเวลาถึง53วันนะคือ มาเป็นกำลังใจให้กับคนที่นั่นซึ่งเราก็คงทราบดีแล้วว่าเขามีความทุกข์ร้อนอย่างไรบ้างตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมาที่จริงการเดินนี้มันก็คงจะไม่ได้ช่วยทำให้เกิดความสงบสุขในปัตตานีมากเท่าไหร่ แต่ว่ามันก็คงเป็นสัญญาณที่สื่อไปถึงคนทั่วไปว่าสิ่งที่ยากนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ใครที่ได้ยินเป็นครั้งแรกว่าจะมีการเดินเท้าจากกรุงเทพหรือสรยาไปปตัตตนีเนี่ยทีแรกคงไม่เชื่อหรือประหลาดใจ เราคิดว่าคงจะทำได้ยากาผู้เดินหลายคนก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้นะมีบางคนก็คิดว่าจะขอเดินเพียงแค่อาทิตย์เดียวแต่พอเดินได้แค่วันครึ่งนี้ก็กระเพลกแล้วเพราะว่าไม่เคยเดินวันละ20กิโล30กิโล แดดก็ร้อนอากาศก็อ้าวรองเท้าก็กัดไม่ว่ารองเท้าดีแค่ไหนเดินขนาดนี้มันก็ต้องกัดเท้าเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งก็ร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวอ้วนเดินกระเพกตลอดครับ เราจะมาไปร่วมเดินเข้าวันที่สองกับวันที่สามก็เห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะเดินได้ครบเจ็ดวันอย่างที่ต้องการหรือเปล่าเพราะว่าแค่วันที่สองนี่เขาก็เพลอต้องปดมพยาบาลกันเมื่อถึงจุดหมายปลายทางของวันที่สองเจ้ตัวก็ยังไม่นลอกไม่ถึงว่าจะเดินใน้ครบเจ็ดวันหรือเปล่าอย่าว่าแต่ เดิน53บาวันเลยแต่ปรากฏว่าเขาก็สามารถจะเดินได้ครบ7วันที่ตั้งใจแล้วก็สามารถจะเดินต่ออาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่าจนกลายเป็นว่าสามารถจะเดินถึงจุดหมายปลายทางร่วมกับเพื่อนอีก 7-8 ดดคนมี8คนที่เดินตลอดทางเลยผู้หญิงสี่ผู้ชายสี่ ผู้ชายที่อายุมากสุดก็ิบนะอาจารย์โคตโทมาริยาเดินแล้วก็ในช่วงรอมฎอนเนี่ยก็คือประมาณตั้งแต่กลางเดือนกลางเดือนที่ผ่านมาหรือว่าประมาณช่วงเกือบต้นๆ้นเดือนที่ซ้ำผู้เดินหลายคนก็ถือศีลอดนะตามอย่างชาว ม, มุสลิมก็คือว่า ไม่กินข้าวเมื่ออาทิตย์ขึ้นจะกินข้าวก็ต่อเมื่ออาทิตฐ์ตกหรือว่าอัติตฐ์ยังไม่ขึ้นก็หมายความต้องตต่มมาตั้งแต่ตีสี่กินข้าวตีห้าหรือก่อนนั้นแล้วก็เดินต้องเดินก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพราะว่าไม่งั้นแดดจะแรงกว่าจะได้ปกติกว่าจะได้กินข้าวก็เก้าโมงสิบโมงแต่ว่าช่วงรอมดัดอน ของอิสลามนี่ก็มีผูด้เดินหลายคนบอกว่าจะร่วมอดอาหารกับชาวมุสลิมด้วยจะกินแต่เฉพาะน้ําจริงๆชาวมุสลิมก็ไม่กินแม้แต่น้ำหรือแม้แต่เกลือ น, น้ําลายก็ห้ามเกลือนแต่เขาทําได้นะตอนเด็กๆนี่เคยเล่นฟุตบอลกับเพื่อนเพื่อนคนนึงเป็นมุสลิมเล่นฟุตบอล แดด ก, ก็ร้อนแต่ว่าเขาก็เล่นได้ ท, ท, ทั้งที่เป็นช่วงเทศกาลศีนอดไม่รู้เล่นได้ยังไงนะเพราะแดด ก, ก็ร้อนเหงื่อก็ออกมากแต่ว่าเขาก็เล่นได้สบายทั้งที่ห้ามกลืนน้ํำลายห้ามกินน้ําแล้วก็มีคณะเดินเนี่ยเดินโดยไม่กินอาหารในช่วงพราทิตยขึ้นก็เรียกว่าท้าทายตัวเองมากบางคนก็เป็นลม สิบโมงก็เป็นลมแล้วเพราะต้องเดินแบกเป้ไปด้วยอที่นี้ไม่เหมือนเดินธรรมยาตาของที่นี่นะอาที่ทขณะนี้เขาไม่ได้เหมือนกับการเดินธรรมยาตาของลำปตาวเดินธรรมยาตาที่นี่มีรถขนสเบียงขนสัมภาระแต่ที่โนโนี่ทุกคนต้องขนสัมภาระของตัวเองเพราะฉะนั้นถึงน่าจะถือศีลอดก็ต้อง ก็ต้องสะพายเป้ของตัวเองมีผู้หญิงคนหนึ่งก็ตัวก็ผอมเพื่อนจะช่วยแบกเป้ให้เขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่ามันก็เป็นการฝึกไม่ใช่แค่ฝึกกายฝึกใจด้วยแล้วก็ฝึกว่าเนี่ยถ้าเราเดินโดยการที่แบกอะไรไว้ในแบกทั้งกายแบกทั้งใจนี่มันจะเป็นยังไง เดินแบกสัมภาระทางกายนี่ไม่เท่าไหรนะ่แต่ว่าเดินแบกความรู้สึกนึกคิดในใจเนี่ยมันยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นการที่เขาเดินแล้วก็ถือเป้สะพายเป้รู้สึกหนักก็เป็นการเตือนใจให้เขารู้จักปล่อยวางปล่อยวางไม่ต้องแบกความคิดไปด้วยเพราะถ้าแบกความคิดไปมันก็ยิ่งหนักหนักทั้งกายหนักทั้งใจก็เป็นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่น้อยนะ เขาก็พยายามทำว่าเนี่ยเราจะฝึกการปล่อยวางได้ไหมคนที่พูดถึงตั้งแต่แรกว่าเขาเดินแค่สองวันแรกนี้เขาก็กับโผกกับเพลกแล้วก็เดินปวดมาปวดท้ามาตลอดทางก็ว่าได้แต่พอถึงไปปลายทางมีคนถามเขาว่ารู้สึกยังไงกับความเจ็บปวด หายหรื อ, อยังก็าบอกยังไม่หายแต่ว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนไปจากเดิมที่รู้สึกเป็นศัตรูกับความเจ็บปวดตอนนี้เป็นมิตรกับความปวดแล้วเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันนะไม่มีการโบรธไม่มีการโวยวายอยู่กับความปวดได้นะอันนี้ก็อย่างที่พูดไว้เมื่อสองสมวันก่อนก่อนที่จะไปบอกว่าการยอนรับความจริงถ้าคนเราเมื่อเรายอนรับความจริง โดยไม่บน่นไม่ตีโพยตีพายแม้แต่ความปวดทางกายมันก็ยอมรับได้นะปวดกายแต่ว่าไม่บน่นไม่โวยวายก็สามารถที่จะลากพาสังขาร น, นะไปถึงจุดหมายปลายทางได้จริงๆเส้นทางสู่ปตัตตนีนี่มันไกลนะคนหนึ่งต้องเดินประมาณ2ล้าน9 กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางแต่ว่าเส้นทางสู่สันติภาพนี่มันไกลยิ่งกว่าแต่แต่ว่าการเดินอย่างนี้มันก็เป็นเป็นเครื่องเตือนใจหรือเครื่องเป็นบทเรียนว่าสิ่งที่ยากนั้นไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะคนเหล่านี้เนี่ยคนประมาณ10กบกว่าคนเนี่ยเ้าทำสิ่งที่ยากให้เป็นไปได้ แม้แต่เจาตัวซึ่งไม่คิดว่าจะทำได้แต่ในสุดก็ทำได้ถ้าหากว่าไม่ไม่ย่อท้อก็ได้บอกกับเขานะคนที่เดินว่าในเมื่อเข้ามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่คนเดิมแล้วเขาไม่ใช่คนเดียวกับคนที่เริ่มเดินก้าวแรกที่ที่สารยาเขากลายเป็นคนใหม่แล้ว เป็นคนใหม่ที่มั่นใจยิ่งกว่าเดิมคือเดิน ม, มาขนาดนี้ถ้าเป็นคนเก่านี่เป็นไปไม่ได้จิตใจจะเข้มแข็งแล้วก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นอย่างคนที่เล่าเมื่อกี้เนี่ยเขาก็รู้จักวิธีเป็นนี่กับความเจ็บปวดซึ่งไม่ใช่ไปทำได้ง่ายนักปฏิบัติธรรมจานวนมากก็ก็ยังคงหนีความเจ็บปวดยังอยากจะอยู่ที่สบาย ดิกเลี่ยงที่มันลำบากแต่ว่าเมื่อเราได้เผชิญความยากลาบากจริงๆเราก็พบว่าการอยู่เป็นมิตรกับความลําบากการเป็นมิตรกับความเจ็บปวดนี้มันทําได้รวมทั้งความเป็นมิตรกับโรคภัยไข้เจ็บก็ทําได้โดยที่ใจไม่ทุกข์ไม่กระสับกระส่ายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ว่ามันทําได้แล้วก็ต้องเรียกว่าเขา สามารถจะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองคนเราทุกคนก็มีขีดจำกัดทั้งนั้นแต่ส่วนใหญ่เรามักจะคิดว่าเราทำได้เท่านี้แหละฉันทำไม่ได้มากเท่านี้ฉันทำไม่ได้เกินกว่า น, นี้แล้วเมืาเจออะไรยากๆเรามักจะคิดแบบนี้เช่นนักปฏิบัตินะว่าถ้าบอกว่าเออลองไปอยู่คนเดียวซิ นอนกุฏิคนเดียวซ่ก็ไม่กล้าหรือว่าจะให้เป็นนอนในป่าช้าก็ไม่เอาราะว่าฉันทำไม่ได้หรอกนี่คือขีดจำกัดที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะพัฒนาตนได้คือก็ยังถูกความกลัวมันมันมันพันธนาการจิตใจเอาไว้ความกลัวความไม่มั่นใจตัวเอง ความเป็นตัวเองไม่มีน้ำยาท่า น, นี้คือพันธนาการที่มันล่ามเราเอาไว้แล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถจะข้ามพันธนาการหรือว่าเป็นอิสระจากพันธนาการนี้ได้มันกลายเป็นกำแพงที่ทำให้เราไม่สามารถจะก้าวหน้าไปได้ก็ไปได้สุดก็แค่นี้แหละนะแต่ถ้าคนเรานี่สามารถจะทำสิ่งที่ยากให้ใหสำเร็จได้เนี่ยมันจะ เรียกว่าทลายกำแพงที่เป็นขีดจำกัดแล้วก็สามารถจะ ก, ก้าวไปได้ไกลโทษเรามันี้ก็ต้องดูนะว่าเรามีขีดจำกัดตรงไหนและอะไรบ้างที่เป็นพันธนาการของเราเคยเห็นช้างตัวใหญ่ๆไหมบางทีในในสถานที่ที่เขาเลี้ยงช้างหลายแห่งเนี่ย ช้างตัวใหญ่แตแต่เขาโลล่ามด้วยโซ่เส้นเล็กๆโซ่มันเส้นเล็กมากหรือบางทีก็เป็นแค่เชือกแต่ว่าก็สามารถที่จะล่ามช้างตัวนี้ไว้ได้ช้างตัวใหญ่ทำไมช้างถึงไม่สามารถที่จะสลัดโซ่ให้ขาดหรือสลัดเชือกให้ขาดได้ <S <S ก็เพราะว่าช้างเนี่ยเขา มีความเชื่อว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะสลัดโซ่หรือเชือกให้ขาดได้เพราะว่าโซ่หรือเชือกนี้เนี่ยมันล่ามเขาไว้ตั้งแต่ยังเด็กมันล่ามเขาตั้งแต่เด็กตอนที่เขายังเป็นเด็กๆ็กเนี่ยนะกำลังยังน้อยเขากส็สลัดเท่าไหร่ก็ไม่ขาดแล้วทั้งน้นที่โตโตมาเป็นช้างวัยชกันก็ยังฝังใจหรือ คิดอยู่ว่าไม่มีทางสลัดขาดหรอกเพราะเขาเอาประสบการณ์ตอนเด็กๆ เ, เนี่ยมาแล้วก็ไม่เคยไม่เคยที่จะทดลองทำสิ่งที่มันเป็นความยากได้ยังติดอยู่กับความเคยชินเดิมๆไอ้ความเคยชินเดิมๆ น, นี่มันเป็นอุปสรรคนะมันคือโซ่ที่มองไม่เห็นที่มันล่ามเรา เ, าเอาไว้ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะ เป็นอิสร ะ, สระได้อย่างช้างตัวเล็กๆที่เคยชินอกับการถูกล่ามด้วยด้วยเชือกหรือโซ่เส้นเล็กๆเนี่ยน ะ, ะทั้งทงที่ตัวใหญ่เป็นเป็นช้างชับกันก็ยังหลงเชื่อว่าตัวเองเนี่ยไม่มีกําลังพอที่จะสลัดเชือกหรือโซ่เล็กๆให้ขาดได้เพราะความเคยชินที่อยู่กับ เชือกหรือโซนมานานตั้งแต่เล็กมันก็เลยถูกมนุษย์ล่ามาไว้นี่เราแต่ละคนบางทีก็ ค, คล้ายๆกับช้างตัวที่ว่านี่นะคือว่ามันคือว่าไม่สามารถที่จะเป็นอิสระจากพันธนาการที่มันมันจิ๊บจ้อยมากเราเติบโตมาเยอะมีความสามารถที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมาก แต่เราคิดว่าเราไม่มีความสามารถเราไม่มีน้ํำยาแล้วคนที่เดินเริ่มต้นเดินจากสารยาหลายคนก็คิดแบบนี้เหละว่าฉันคงทําไม่ได้หรอกขอเดินแค่เจ็ดวันก็พอแต่ว่าพอเดินไปเดินไปเอ อ, เ, อเราทําได้นะแม้ว่าร่างกายมันแย่แต่แต่ใจสู้ แล้วก็พอได้ลองเดินทีแรกก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะเดินได้สิบกิโลเดินได้สี่ห้ากิโลก็เหนื่อยแล้วแต่พอเพราะว่าเนี่เราก็เดินได้นะยี่สิกิโลต่อวันก็ให้กำลังใจเขาตั้งแต่วันแรกๆว่าใหม่ๆมันก็เหนื่อยแต่ว่าลองเดินไปสัก3ามสี่วันร่างกายเราจะปรับตัวได้ แต่สิ่งที่จะเป็นอุปสรรคทาให้เราทําอะไรไม่ได้เลยก็คือใจใจที่ไม่สู้ถ้าใจสู้แล้วเนี่ยร่างกายก็สู้ไหวคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่สู้เนี่ยก็เพราะใจใจไม่สู้แต่นั้นที่ร่างกายนี่มันมันไหวเนี่วร่างกายเรามันปรับตัวได้ได้ดีมากได้ไวมาก หลายคนที่เดินเขาก็บอกเนี่ยพอมันก็ยากช่วงสามสี่วันหรืออาทิตย์แรกพอผ่านจากนั้นไปแล้วเนี่ยง่ายแนละ้วเดินสามสิบกิโลก็ไม่ใช่เรื่องยากสามสิบกิโลต่อวันนะเดินกับเวลาเจ็ดชั่วโมงเลยนะไม่ต้องทำอะไรอ ย, อย่างอื่นเดินอย่างเดียวแล้วก็ดูดูเหมือนว่ามันไม่มีอะไรนะไอ้การเดินแต่ว่าสิ่งสำคัญคือมัน เป็นแบบฝึกหัดที่ทำให้เราสามารถที่จะเอาชนะตัวเองได้หรือว่าก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองก็บอกเขาว่าเนี่ยการเดินของเขานี่มันมันมีความหมายนะกับคนจำนวนมากเดยเฉพาะคนในสามจวยชนะภาคใต้ที่เขารู้สึกว่าเขาทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะ เปีผ่านไปก็ไม่มียังก็ดีกระเตุองขึ้นนิดหน่อยก็ปล่อยให้คนที่ไม่หวังดีไม่ว่าอยู่ฝ่ายไหนก็ตาม ก, ก็สร้างปัญหาต่อไปปัญหาในบ้านเมืองหรือว่าความวุ่นวายในบ้านเมืองส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคนดีหรือว่าคนปกติเนี่ยไม่มั่นใจ กลัวก็เลยอยู่เฉยเฉยก็ปล่อยให้คนที่เขาไม่เจตนาดีหรือมีความคิดที่ไม่ดี<อ>ก็แกอปัญหาได้แต่ถ้าเกิดแต่เราควรรู้สึกว่าฉันแม้จะเป็นคนเล็กๆ ฉันสามารถจะทำอะไรได้ฉันสามารถทำได้มากกว่าที่ฉันคิดฉันไม่ใช่คนไม่มีน้ำยาฉันสามารถทำได้สิ่งที่ยากๆฉันสามารถทำได้แล้วก็มาร่วมมือกันมันก็จะกลายเป็นพลังที่สามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีได้และรวมก็เปลี่ยนแปลงได้เพราะคนเล็ก ๆ, ๆคน น, น้อยๆเนี่ยที่ร่วมมือกัน หมู่บ้านที่ยากจนชาวบ้านยากจนแต่พอเริ่มมารวมกันเก็บเงินสะสมกันวันละบาทวันละบาทหลายปีเข้ามันกลายเป็นล้านนะสัจจะสะสมทรัพย์ในในหลายพื้นที่บางตำบลนี้มีเงินสะสมนี่เป็นเป็นสิบล้าน สามารถจะให้กู้แก่ชาวบ้านดอกเบีย้ยต่ำได้แล้วก็มีสวัสดิการให้กับคนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเจ็บคนเจ็บคนป่วยหรือว่าเด็กแรกคลอดหรือว่าแม่ที่ตั้งคันภมีรายได้เขาเก็บเป็น10เป็น10บล้านก็จับเงินที่สะสมกันคนละนิดคนละหน่อย ทำให้สามารถจะพัฒนาหมู่บ้านได้ไอสิ่งเล็กๆในน้อยนี่ถ้ามันรวมกันแล้วนี่มันก็มหึมาเหมือนกันนะเราทราบหรือเปล่าว่าสัตว์ชนิดใดที่รวมกันแล้วเนี่ยมีน้ำหนักมากที่สุดในโลกไม่ใช่ช้างไม่ใช่ปลาวานไม่ใช่คนแต่ว่าเป็นมดมดนี่ทั้งโลกรวมกันแล้วนี่ มันหนักเท่าประมาณ 10% ของสัตว์ทั้งหลายในโลกใกล้ๆ ก, กับคนนะคนมีประมาณ 6,000 ล้านคนรวมกันแล้วนี่เฉียดๆหรือว่าอาจจะต่ำกว่าจำนวนน้ำหนักต่ำกว่าน้ำหนักของมดทั่วทั้งโลกเพรามดนี่มันมีทุกที่เลยอาจจะยกเว้นเฉพาะโคราชใต้โคราชเหนือยังยังมีมดอยู่เลย แะสิ่งที่เล็กนี่พอรวมกันแล้วนี่มันบางทีมันมีพลังอย่างที่เรานึกไม่ถึงให้าการเดินเพื่อสันติปตัตตานีของคนสิบห้าคนที่มีแปดคนเป็นแกนกลางมันก็สามารถทําให้คนจํานวนมากนี่เขาได้คิดเหมือนกันนะว่าไอ้สิ่งยากไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้และถ้าเราไม่กลัวสิ่งยากเราก็สามารถจะทําสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นได้ทั้งๆ ท, ที่ทีแรกอาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จริงพระพุทธองค์นี่ก็เป็นแบบอย่างนะแบบอย่างของคนที่ทําสิ่งที่เป็นไปแทบจะไม่ได้เลยเนี่ยหรือไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมาก็คือการเป็นผู้ที่อิสระจากความทุกข์เป็นการอิสระจากพันธนาการทั้งหลายทั้งปวงที่ล่าม แม้แต่พรหมมาและเทวดาเอาไว้ก<ไ>็คือความหลงยึดว่ายังมีตัวตนอยู่นะพระองค์นี้สามารถที่จะก้าวข้ามกำแพงแห่งตัวตนเรีนะยกว่าก้าวข้ามขีดจำกัดทั้งหลายทั้งปวงของมนุษย์ได้<ส>ดคือพ้นจากสภาพความเป็นมนุษย์เลยลกลายเป็น ผู้ที่แม้แต่เทวดามารพรมก็นับถือแม้ว่าร่างกายยังเป็นมนุษย์นะแต่ว่าจิตใจนี่พ้นสภาพแห่งความเป็นมนุษย์ละอันนี้คือสกยภาพที่ทุกคนมีต้นไม้ใหญ่ๆนะต้นไม้อย่างเช่นต้นโพต้นสายที่ใหญ่หรือว่าต้นใหญ่ที่สุดในโลกอย่างซีโคยา่าหรือเล ด, ดบูดเนี่ย มันใหญ่ขนาดที่เรียกว่ารถสิบล้อเนี่ยขับผ่านได้ถ้าจอดเป็นอุโมงนะรถสิบล้อรถขนาดใหญ่นี่ขับผ่านได้เพราะาลำต้นใหญ่มากคโคลนโคนมันนะ่ะเราลองไปดูเม็ดมันเสิเม็ดมันเนี่ยเม็ดนึงก็ไม่ได้ใหญ่เลยเลยนะอาจจะเล็กเท่าเล็กเล็กกว่าหัวแม่หัวแม่โป้งของเราสิ มันเล็กแต่ว่าข้างในนี้มีศักยภาพมีศักยภาพที่สามารถจะเป็นต้นใหญ่ยักษ์มะฮมาได้มันซ่อนอยู่ในเม็ดเล็กๆนะที่ถ้าเกิดว่าเราเพียงแต่ปมเพาะให้มันแตกออกมาเป็นต้นกล้าต้นกล้าก็บบกบางแต่ถ้าเราดูดแลรักษาดีก็กลายเป็นต้นใหญ่ ใหญ่ขนาดเป็นยักษ์เลยสูงเป็นสองร้อยเมตรเนี่ยบ้านเราไม่มีต้นไม้สูงขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างเพื่อเห็นว่ามันมีศักยภาพศักยภาพที่ยิงย่งใหญ่แสงในต้นไม้ตัวเล็กๆนะมนุษย์เราก็เหมือนกันนะเราแต่ละคนก็มีมีศักยภาพแห่งความ แห่งการตัดสรู้เรียกว่าเป็นมีพุทธภาวะหรือมีโปรธิจิตมีพุทธภาวะอยู่ข้างในแต่ว่ายังยังอ่อนแออยู่เหมือนกับต้นกล้าที่ยังบบกบอบบางต้องการการดูแลแต่ถ้าดูแลยังไม่ย่อท้อนะก็จะสามารถกลายเป็นต้นใหญ่ ทำให้คนปุถุชนที่ยังจมอยู่ในความทุกข์กลายเป็นกลายเป็นมนุษย์ที่อยู่เหนือความทุกข์ได้เป็นอภิมหามนุษย์เลยนะเป็นมหาบุรุษนะที่อยู่เหนือความทุกข์ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้เป็นแบบอย่างพระพุทธองค์เนี่ยอาจจะเป็นคนพิเศษเพราะว่ารงตัดสรุปได้โดยพระองค์เอง แต่ว่าก็มีคนธรรมดาที่แม้จะไม่มีความสามารถขนาดตัดสู้ได้ด้ว ย, วยตนวเองแต่ว่าเมื่อมีกัลยาณมิตรก็สามารถจะทำสิ่งที่ยากหรือเป็นไปได้ยากให้สำเร็จได้คนที่เดินจากสารยาไปปัตตานี ว่าหลายคนนะถ้าเดินคนเดียวคงจะไม่ไม่ถึงอนะ่ะแต่เพราะว่าเดินกันหลายคนมันก็เป็นกำลังใจคนนี้เดินก็เป็นกำลังใจช่วยให้อีกคนหรือก็ตัวให้คนหนึเดินไปได้ความผูกพันแม้จะต่างความคิดต่างความเห็นก็สามารถที่ช่วยกันประคองให้ทําสิ่งที่ยากได้มีบางช่วงนะต้องผ่านเขตที่ เสียงอันตรายโดี๋ยว พ, พอเข้าเขตปัตตานีแล้วเนี่ยก็มีบางจุดที่ทหารี่เป็นห่วงเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่มาอาวุธครบมือเดินมาเพื่อปกป้องคุ้มครองแต่ผู้เดินนี่ก็ขอร้องทหารว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยนะถ้าจะมาก็ขอให้วางอาวุธแล้วมาเดินด้วยกัน ก็บอกแล้วว่าไม่ใช่ไม่กลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวก็กลัวอยู่แต่เราต้องการที่จะพิสูจน์ให้คนได้เห็นว่าเราสามารถเอาชนะความกลัวได้แต่ถ้ามีคนมามีทหารมาถือปืนคุ้มครองเนี่ยมันก็ไม่ได้แสดงอะไรเลยว่าเราสามารถเอาชนะความกลัวได้เพราะว่าเราไปพึ่งพาอาวุธเสร็จแล้วแล้วก็ขอลองว่าเนี่ย ถ้าหากว่าพวกเราจะมีอะไรถ้าหากพวกเราจะมีอะไรมีอันเป็นไปก็พร้อมนะแต่ว่าก็อยากจะชวนให้มาร่วมชะตากรรมเดียวกันคือเดินก็เดินได้แต่ว่าไม่ต้องมีอาวุธมาอทนะหารเขาก็เข้าใจเขาก็ก็ปล่อยให้คณะนี้เดินต่อไป คนที่เดินก็ใจคอก็ตุ้มๆ ต, ต่ำๆแต่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติคือดูใจของตัวเองไปด้วยให้ความกล้านี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีความกลัวนะแต่หมายถึงการที่ไม่ยอมให้ความกลัวเข้ามาครอบงาจิตใจหรือเอาชนะจิตใจได้คนมาเข้าใจว่าคนกล้าคือคนไม่กลัวที่จริงไม่ใช่คนกล้าคือคนที่ยังกลัวอยู่แต่ว่ารู้ทันความกลัวไม่ยอมให้ความกลัวนี้เข้ามาครอบงาใจ ก็เลยสามารถทําสิ่งที่ยากได้แต่เมื่อทําไปทําไปก็รู้ว่าเอ้ยสิ่งที่เรากลัวนี่มันความกลัวมันเกิดจากความคิดที่คิดปรุงแต่งล่วงหน้าท่า น, นถ้าอยู่กับปัจจุบันมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวเรากลัวเมื่อเราไปคิดถึงอนาคตไปสร้างภาพปรุงแต่งอนาคตขึ้นมาแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับสติสติก็รักษาเราให้จิตใจเป็นปกติก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวนั่นนี้ก็มันก็ช่วยทำให้เขาได้สามารถจะก้าวข้ามกำแพงที่อยู่ในใจได้จริงจริงการเดินเนี่ยการเดินทางไกลมันมันเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าเดินเป็น ถ้าเดินเป็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เดินจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเท่านั้นนะแต่มันเกิดการเดินทางภายในการเดินทางภายในนี่มันมันยากไม่น้อยกว่าการเดินบนถนนแล้วคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยกว่าจะเดินทางภายในจนค้นพบตัวเองได้นี่อาจจะใช้เวลานานกว่าเดินจาก สริยาไปปัตตนาไปปัตตนีซะอีกเดินจากสริยาไปปัตตนีพันกิโลห้าสิบสามวันแต่บางคนเดินทางไกลกว่านั้นยังค้นไม่พบตัวเองเลยบางคนเดินทางรอบโลกพบเห็นสิ่งต่างๆมากมายแต่ไม่รู้จักตัวเองนะไม่สามารถค้นพบตัวเองได้ การเดินทางด้านไหนนี่บางทีมันยาวไกลกว่าการเดินทางด้วยเท้าบนท้องถนนหรือว่าเดินทางด้วยเครื่องบินซีกนะหลายคนที่บอกว่ามาถึงนี่ไกลจากกรุงเทพมาถึงวัดป่าสุโกโตไกลแต่ที่จริงมันสั้นมันสั้นกว่าการเดินทางด้านในจนคนพบตัวเองซีก เพราะว่าการโครบตัวเองนั้นเนี่ยหลายคนต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็การเดินทางที่ยาวไกลกว่า น, นี้มากระยะทางไม่ใช่ปัญหาแต่อยู่ที่การมองใจของตัวเองเพราะฉะนั้นการเดินทางจนค้นพบตัวเองนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งเชื่อว่าหลายคนที่ที่ไปเดินนะก็ได้พบตัวเองแล้วนะ บางคนก็มีคนหนึ่งเคยไปบวชจำพรรษาอยู่ที่ผูหลงนะบางคนในที่นี้ก็รู้จักนะชื่อเต่งแต่ก็เชื่อว่าห้สิกว่าวันที่เขาเดินบนเดินไปปตัตตานีนี่เขาคงจะได้เขาน่าจะได้เรียนรู้หลายอย่างมากกว่าตอนบวชพระจำพรรษาเมื่อปีที่แล้วซะอีก เพราะามันได้เห็นตัวเองชัดเจนขึ้นการปฏิบัติธรรมการค้นพบตัวเองบางทีมันก็ไม่ได้อาศัยรูปแบบเช่นต้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมแต่บางทีเดินอยู่บนท้องถนนฝ่าลมฝ่าแดดนะสู้กับความหิว นอนกลางดกินกลางซายก็อาจจะทำให้ค้นพบตัวเองได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะทำให้ได้เห็นศักยภาพความสามารถที่ไม่เคยนึกว่าจะมีมาก่อนก็ได้ก็บอกเข้าไปนะว่าเนี่ยบางคนนี่อาจจะที่ผ่านมาอาจจะเปรียบเสมือนกับดักแด้ที่อยู่ในในเปลือกอยู่ในเปลือกเนี่ยดักแด้สบายอบอุ่น แต่ว่ามันไม่มีสิสละหลายคนตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาได้ก็ได้ออกมาจากเปลือกดักแด้แล้วแล้วกลายเป็นผีเสื้อที่สามารถบวยบินได้อิสระแล้วก็เติมความงามให้กับธรรมชาติแล้วก็โลกแล้วคนจํานวนมากก็ยังพอใจอยู่กับดักอยู่ในที่สะดวกสบายเหมือนกับอยู่ในเปลือกดักแด้ ก็เลยไม่มีทางค้นพบอะไรที่แปลกใหม่จนกว่าจะกล้าออกจากเปลือกดักแด้มาดนั้นแหละคือการเปลี่ยนแปลงทั้งสําคันคนหลายคนตอนนี้เขาก็กลายเป็นผีเสื้อแล้วนะไม่ใช่ดักแด้เหมือนเมื่อก่อนพวกเราก็ต้องทำบัางนะว่าเพราะบางทีเราก็อาจจะยังเป็นดักแด้อยู่ก็ได้แตนยังเป็นต้องกล้าที่จะออกมาจากเปลือก แม้มันจะสบายเพียงแต่ก็ตามแต่ว่ามันก็สู้อิสระภาพนะอย่างผีเสื้อนะที่บินได้อิสระไม่ได้เอาเราก็พูดกันเท่านี้กลับมาพร้อมกัน